ในละห์รำมัดรำหีม alhamdulillahillah ربي العالمين وصلى الله ولى نبينا محمد أداء إلى الحق وإلى صراط المستقيم السلام وعليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันต ah uh. al ิสุขความเมตตาจาก Allah เพื่อประสบกับรรดา มุสลิมมุสลิมะนักศึกษาผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันอาทิตย์หนึ่งนะครับที่เรามารับรู้ในเรื่องของตัปซิดอันกุรอานหลังจากที่เราได้เรียนกิรออาเรียนการอ่านกุรอานมาแล้วนะครับมันมีความสำคัญไล่เลี่ยกัน นั่นก็คือการอ่านและการศึกษาเข้าใจความหมายของอันกุรานพอบัรดาสฮาบะสาวกของท่านนาบีนี่ได้เรียนอันกุรานจากท่านนาบีโดยมีเป้าหมายหรือว่ามีจะพูดว่ามีกฎเกณฑ์อยู่ส3าข้อเดยกันนั่นก็คือพยายามที่จะ อ่านอันกุรานให้ถูกให้คล่องนะครับแล้วพออ่านกุรานถูกแล้วคล่องดีแล้วก็พยายามท่องให้จำนะครับสองและก็สศึกษาความหมายนะศึกษาความหมายแล้วนำสู่การปฏิบัตินี่คือซอฮาบะ สาวกของท่านดาบีที่เรียนกุรอานจากท่านดาบีแล้วเขาเหล่านั้นก็ประสบความสาเร็จนะครับเรามาทวนอีกครั้งก็คือว่าอ่านให้คล่องท่องให้จำศึกษาความหมายแล้วนำสู่การปฏิบัตินี่และคือเป้าหมายของการาเรียนรู้อัลกุรอานเราจะ ขาดข้อหนึ่งข้อใดไม่ได้ถูกต้องไหมครับถ้าเราอ่านไม่ถูกอ่านไม่คล่องผลมันก็เกิดนะถ้าเราไม่ได้ท่องในจำเลยเราก็ไปอ่านในละหมาดไม่ได้เลยถูกต้องไหมเพราะว่าในละหมาดนี่มันจะต้องอ่านฟาติฮะแล้วต้องอ่านซุรด้วยนะนะครับอ่านซุร้อนี่เราจะก็ต้องท่องในจำอยู่แล้ว คงไม่มีใครหรอกละหมาดประจําเวลาแล้วเอากุรานไปเปิดอ่านสุร ถ, ถูกต้องไหมครับนั่นคือท่องให้จังแล้วต่อมาศึกษาความหมายให้รู้ความหมายว่าที่เราอ่านเนี่ยเขาแปลว่าอะไรมีคําอธิบายว่าอย่างไรมันก็จะเสริมอีมานของเราที่อยู่ในหัวใจของเราเนี่ยมันมีอยู่แล้วแหละ แต่มันก็จะ إ ม م ا ن ของเราจะเข้มแข็งยิ่งขึ้นเมื่อเรารู้ความหมายของอันกุรานนะครับแล้วพอเรารู้แล้วศึกษาแล้วอันกุรานเ็าใช้ให้เราปฏิบัติอย่างไรแล้วก็ทำตามนั่นเรียก ว, ว่าเอาอันกุรานนำชีวิตนะทำตามกุรานทุกอย่างเราจะทำอะไรแล้วก็ไปดูว่าโอ้ โกดเกนตรงนี้อิสลามก็ห้ามเขาสอนยังไงนะอิสลามในทีน่นี้นในภาพรวมก็หมายถึงอิสลามที่ว่านี้ก็คือกีตาบุล ล, บบ ล, ล, ล่าอะไรกับุนนะของท่านอบีุลเลาะห์สุลเลาะห์วเลวะสลามเป็นตัวหลักนะครับ<อ>คุารานว่ า, ย, ายังไงฮะดิษว่ายังไงอเราก็ทําตามนั้นนั่นคือคนที่ประสบความสําเร็จมาแล้วคือบรรดาซอฮาบะคือสาวกของท่นทานอบีลลลุลอลาะห์สุลเลัยห์วเลวะสลามนั่นเองเอาละครับวันนี้ ออชออัลอร อ, อาระนะครับซร ช, ชัอร์ไปดูอายะที่รอยร8อย8ถึงอปอืมอาแอายะเท้าความนิดหนึ่งในเรื่องนี้เนี่ยอัลลอฮ์ได้เล่าถึงประวัติการเผยแพร่ของนบีชูอฟอะลัยฮิสลラมนบีชูอฟนะ อ า, อาญากก่อนเล่าให้ฟังว่าผู้เรื่องนบีชูเอฟและก็จนกระทั่งมาถึงอายาที่ร8อนี่นบีชูเอฟก็ได้บอกกับกลุ่มชนของท่านว่ า, าฉันไม่ได้ขอค่าตอบแทนาจากพวกท่านในการเผยแพร่ศาสนาแต่ค่าตอบแทนของฉันนั้นอยู่ที่อัลลอฮ์สุบฮานาววาตาลา่าผู้เป็นเจ้า นั่นนะครับเอาเราย้อนกลับไปดูตัวบทวัวมาอัสสลุมอัลไลฮิมินอัจจิลนะอินอัจริเรยอินลาอัลลอฮ์บิญอาลลมีนนะครับและฉันไม่ได้ขอค่าตอบแทนในการนี้จากพวกท่านคือในการนี้ก็คือในการเผยแพร่ศาสนาเนี่ยแก่พวกท่านนะ ค่าตอบแทนของฉันไม่ได้มาจากผู้ใดอนอกจากพระผู้เป็นเจ้าแห่งสากนลละโลกอินลาอัลารบบิลอาล า, บบาลมีนนอกจากอัลลอ์หมายความว่าที่นบีชูอฟบทำงานศาสนาเนี่ยหวังความโปรดปรานจากเลสุบฮานอวตาาไม่ได้จะมาเรียกร้องค่าตอบแทนจากพวกท่านแต่ประการใดนะครับ ต่อมาอายาที่81เอาฟุนไกละเอาฟุนไกละวาลาตะกูนูไมนัลมุคศีรินนะจงตรวงให้ครบเต็มนะและอย่าเป็นผู้ที่ให้ขาดบกพ้่องขาดพ้่องในที่นี้ก็คือบกพ้่องตรวงให้เต็ม หมายความว่าบรรดาบรรดากลุ่มชนของท่านนั้นเขามีการมีการค้าการขายกันอยู่อะไรกันอยู่ให้ช่างให้ตวงนี่ให้ครบเต็มอย่าไปโกงอย่าโกงกิโลเวลาช่างก็อย่าโกงเวลาตวงก็ให้ครบเต็มอย่าไปโกงนะเออตรงนี้มันจะเป็นบทเรียนสําหรับเราในปัจจุบันนี้เหมือนกันแหละนะ บเรีในปัจจุบันในในเวลานี้นะมเีเราเในในในสังคมของเราเนี่ยเวลาค้าเวลาขายกันก็ไปทำให้กิโลมันขาดไปบ้างกิโลก็กำหนดมาว่าหนึ่งกิโลนี่มีสิบขีดก็ทำให้เหลือเก้าขีดถึงมองนั้นน่นะครับ ไม่รู้ว่ากําไรตรงนั้นหรือว่าจะทำให้มันทําทให้ไม่มีบรารักาตตรงนั้นนะครับสุดท้ายแจงครับนะี่ท่านท่านนึกอย่างหนึ่งเลยอะ่นะนีคนคนมุสลิมอย่างเราเนี่ยเนะีนะ่ยเราน่ยเป็นมุสลิมนับถือาศาสนาอิสลามโกงไม่ได้ครับโกงแจ้งหมดแหละโกงไม่รวย คนต่างศาสนิกนะ่ะไม่ใช่อิสลามเนี่ยมันโกงมันรวยมันโกงได้มันรวยโกงเล็กโกงน้อยอะไรก็แล้วแต่มันรวยได้แต่มุสลิมอัลลอฮ์ไม่ให้รวยอัลลอฮ์จะไม่ให้มุสลิมรวยมากับการโกงจังไว้เลยตรงนั้นนะครับเอา้าช่วยบอกต่อด้วยนะครับอบอกต่อไปตามอญ า, าต พี่น้องอะไร อ, อะไรที่ค้าขายกันในตลาดนัดเอ้ยในอะไรตัวมีอะไรเอ้ยนี่คําสอนอิสามเป็นอย่างนี้นะครับเออตรงไว้เป็นคนที่ทเที่ยงตรงซื่อตรงนะเที่ยงตรงแล้วก็ซื่อตรงอ่ะเนี่ยต้องเป็นนี่คือมุสลิมทเที่ยงตรงคืออะไรครับทเที่ยงตรงก็คือว่า <S <S เวลาเรานัดกับใคร เราต้องตรงเวลาอ่านัด ก, กับใครต้องตรงเวลานะครับนี่เรียกว่าให้ตรงไว้นะครับไม่ใช่ว่าเรามีข้ออ้างก็คืออินชาอัลลอฮ์เราจะอ้างว่าอาอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์นั่นถูกต้องไหมครับถูกต้องครับแต่เราต้องนึกด้วยล่ะเราจะไปให้ตรงเราจะทําให้ถูก ไม่ใช่ว่าอเราบอกอินชาลอแต่ใจนึกว่าไม่ไปอยู่แล้ว <c oughs> เราก็เอาอินชาลอมันดกักเอาไว้อย่างนั้นไ ม, ไม่ไม่ใช่แบบนั้นนะครับเอ <c oughs> อ่านาะ <c oughs> เที่ยงตรงแล้วก็ซื่อตรงซื่อตรงก็อยู่ในในเรื่องนี้แหละจงตัวให้ครบเต็มอย่าอย่าทําให้อย่าเป็นผู้ที่ทําให้ขาดตบกบกพร่องในการช่างการตัวนี่ใครสอนเนี่ย นบีชูเอฟเขาสอนกลุ่มชนของท่านในสมัยโน้นหลายพันปีมาแล้วนบีชูเอฟสอนแล้วก็พอมาถึงในในในในยุคของท่านนบีมุฮัมหมัดนบีมวฮัมมัดก็สอนอย่างเดียวกันอ่าทำไมในอันลกุรอานใช้สำนวนแรงนะไวรุลลินมุตอกฟีฟีนท่านเคยอ่านไหม ไวลุลินมุตอฟิฟินอัลลดีนอิดักตาลูอัลันนาสยัตเตาฟูนนะไปอีกสองสามายะด้วยกันนั่นแหละอัลลอฮ์ใช้สำนวนว่าความวิบัติหรือความหายนะจะได้กับคนที่ทำให้ขาดตกบุกพ่องในการช่างการตวงการวัดนี่เวลาช่างอ่าก็ขาดเวลาตวงก็ตวงไม่เต็ม เวลาวัดก็ทำให้ขาดนี่เอาใช้คำนวนว่าไวยรุนความหายนะความวิบัติจะได้แก่คนที่โกงกิโลเวลาชั่งโกงเวลาตวงโกงเวลาวัดโกงอ่าเห็นไหมนี่นบีมูฮัมมัดสอนมาตกมาถึงสมัยท่านนาบีมูฮัมมัด แต่นี่คำสอนนี่อยู่ในสมัยนบีชูเอฟน่นบีชูเอฟเป็นวันนั้นบอกแล้วว่าเป็นพ่อตานาบีมูซาเล่าให้ฟังมาแล้วนะครับเสร็จแล้วอายานี้ก็บอกพวกท่านเนี่ยจงตวงให้ครบเต็มอย่าเป็นผู้ที่ทำให้ผู้ที่ทาให้บกร้องว่าวาซินูบินกิสตอตินมุสตะกิมอายาที่ร8 2 และตรงช่างด้วยตาช่างที่เที่ยงตรงนะตาช่างด้วยตาตาช่างที่เที่ยงตรงเห็นไหยครับอะก็หมายความว่าอย่างที่พูดไปแล้วหนึ่งกิโลมีสิขีดก็ให้ตรงเลย10บขีดอย่าไปทํากิโลให้เหลือเกขีด อ, อ่บางคนที่ตั้งใจในเรื่องนี้นะครับ ไปไปทำกิโลเลยกิโลเนี่ยเาไปทำได้หเหลือ9้าขีดเนี่ยทำได้หนึ่งกิโลเ้าขีดมันไปทําได้น ะ, ะด้วยเหตุนี้แหละครับมุสลิมทําไม่ได้ขอตอกยา้าอีกครั้งหนึ่งว่ามุสลิมนี่ต้องเที่ยงตรงและก็ซื่อตรงนะและชีวิตมีบรารักัดชีวิตจะมีบราริก้ามีความจำเริญอัลลอฮ์จะให้ บรารกาทําอะไรก็สะดวกสบายทําอะไรก็อัลลอฮฺให้ความเพิ่มพูนให้ลิสกีเพิ่มพูนนะให้ลิสกีเพิ่มพูนแก่คนคนนั้นเพราะว่ามันก็มีจิตใจมีจิตใจดีนะอเอือ้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่แล้วก็จิตใจก็ซื่อตรงและก็เที่ยงตรงนะครับนี่จะเป็นคนที่มีบรารการ พอชีวิตมีบรารักาแล้วครอบครัวของเขาก็มีบรารักาด้วยอครอบครัวเขาก็พอจะอโลให้บรารักัาไปด้วยมีความพอเพียงในครอบครัวไม่ขาดแคลนนะครับเ อ, อด้วยเหตุ น, นี้จึงมีคําสอนจากน บ, บีโเอีฟสอนกลุ่มชนของท่านว่าจงช่าง ด้วยตาช่างที่เที่ยงตรงเหมือนกันเลยกับที่นบีสอนท่านนบีมวฮัมมัดสอนแบบเดียวกันเลยนะอัลกอานที่8ปดสบสาว่ลาตับคอสูวาลาตับคอสุนนะซาอาชยาอาฮุมว่ลาตะกซาฟิลอารดิมุบซิดีนนะแสดงว่าพฤติกรรมของกลุ่มชนนบีชชเอฟนี่มีอย่างนี้ แล้วก็นบีทรีฟก็ได้มาเตือนนะอย่าได้ให้ขาดตกบกพร่องแก่อันนัสแก่ผู้คนเดี๋ยวมหาชนอาชียาอาหุมซึ่งสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆจะจ ะ, จะทำอะไรกับเขาก็อย่าให้บกพร่องนะครับจะช่างจะตวงจะวัดอะไรก็อย่าให้บกพร่องนะเออวลาตะซาวฟิลอัดดีมุบซีดี และอยากออยกอ ย, ก อ, ยกอปวนในแผ่นดินด้วยการบ่อนทำลายอย่าได้สร้างความเสียหายในแผ่นดินคนในยุค ข, ของนามิชูเอมนี่เขาป้นสะดมะที่ป้นตามถนนหนทาง น, นี่นี่คือสร้างความเสียหายใครที่ไปเดิน สัญจรป่วที่เปลี่ยวเปลี่ยวถูกขี้ถูกป้นนะนาบีชูเอฟก็มาเตือนกลุ่มชนของท่านวา ย, ยานะอานอกจากอย่าทำให้บกก้องในการช่างการตรวงการวัดแล้วอย่าก่อความเสียหายด้วยการป้นสะดมตามถนนหนทาง อ, อัลลอฮ์ไอที่พูดเนี้ยในสมัยนบีอมสมัยเรานี่มีทั้งหมดเลยในเนีย มีทั้งหมดเลยครับบกพ้องในการช่างการตวงการวัดครบเหมือนกันขี่ป้นาตามถนโนหนทางก็งมีอีกมีครบเลยเหมือนกันแสดงว่าทุกยุคทุกสมัยมีเหตุการณ์อย่างนี้นะครับนี่แหละถ้าเราเอาอิสลามเอาอิสลามมานําชีวิตเนี่ยนะครับมา เอาอิสลามนําชีวิตแล้วก็โอ้ยเหตุการณ์อย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเวลาเราจะทําอะไรเราจะเช็คก่อนใช่ไหมเราเอาอิสลามนําชีวิตเนี่ยเฮ้ยอิสลามใช้เปล่าอ้าวใช้ทําอิสลามห้ามเปล่าห้ามเราปิดตัวออกงานนี่เรียกว่าเราเอาอิสลามนําชีวิตของเราชีวิตมีบรารกาครับใครจะว่าเป็นคนขําเค้ะ เป็นคนไม่ทันสมัยเป็นคนไม่ไม่นำสมัยะอะไรแต่อะไรล่ะช่งางครัเราเราเช็คตัวเราครอบครัวเรานะสังคมรอบข้างเราเนี่ยให้ตรงกับหลักการอิสลามแล้วก็ทำดีแล้วนะใครยังไงก็ช่างนะเราเอาอิสลามไว้ก่อนนะและชีวิตเราจะประสบความสำเร็จอินชาอัลลอ์ไม่ไม่วันข้างหน้าไม่วันนี้ก็วันข้างหน้า อัลลอฮ์ะจะไม่ให้ตกอับอัลลอฮ์ะจะไม่ให้คนที่เที่ยงตรงแล้วก็ซื่อตรงเนี่ยตกอับรับรองได้ยินชาลละครับแน่ยินชาลละไม่วันหนึ่งกับวันใดอัลลอฮ์ะจะช่วยในช่วงแรกอัลลอฮ์อาจจะทดสอบก่อนว่าทดสอบจิตใจเ้าว่าเออเขาเป็นคนดีมีอีมานจริงไหมอะไรไหมนะโอ้ถ้าเขาเป็นคนดีมี إ ي ่านจริงๆ นะมีความเข้มแข็งจิตใจเข้มแข็ง إ ม م ا ن เข้มแข็งนะ่ะอามันอิบาดาของเขาเข้มแข็งอลัลลอฮฺจะอลัลลอฮฺจะทดแทนเหมือนกับที่อลัลลอฮฺได้ทดแทนประชาชาติก่อนๆเข้ามาแล้วนะครับคนเหล่านั้นได้รับความสําเร็จมาแล้วนะ่ะสฮฮานหลายท่านได้รับความสําเร็จนะ พอพูดถึงเรื่องการค้าเนี่ยตรงนี้มันเกี่ยวข้องกับการค้าใช่ไหมในการช่างการตวงการวัดเนีน่ยถามว่าสหาบาของท่านนาบีเนี่ยมีใครบ้างเป็นพ่อค้าท่านทราบไหมครับเรา อ, อธิบายเสริมตรงนี้สหาบาของท่านนาบีที่มีธุรกิจการค้านี่ ก็คือท่านอับดุลราะมานีบนุนอฟจำได้ไหมท่านอับดุลราะมานีบนุนอฟเป็นพ่อค้าใหญ่ในนครมักกะเห็นเอเ อ, ออับดุลราะมานเป็นคนร่ำรวยในนครมักกะพอท่านอพยพไปมาดีนะร่วมกับบรรดาผู้อพยพใช่ไหมเอออับดุลราะมาน ไม่ไดิเอาอะไรติดไม่ติดมือไปเลยทิ้งหมดเลยทุกอย่างที่นคกกรมกะและก็พวกมุชินิกินก็ยึดรั์ของอาครอมานหมดเลยเรียกว่าไปมาดีนะนี่ไปเริ่มจากศูนย์นะที่ท่านทำมาหาได้ประกอบอาชีพทำการค้าในนคกกรมากามีเงินมีทองเยอะเนี่ยนะ เอาไปเอาอะไรไปไม่ได้หนีเอาตัวรอดไปไปมาดีนะนะครับพอพอท่านไปไปถึงมาดีนะอพยบไปนะครับก็บางคนก็เห็นใจอับดุลรามานก็จะช่วยเหลืออับดุลรอมานบางคนบอกว่าเอาอับดุลรมานมาอยู่บ้านฉันบางคนบอกว่าให้ให้มานี่เลยมาอยู่เลยบ้านฉันนี่มีกว้างขวางให้อับดุลรมานอยู่ อ, อับดุลรำมานก็บอกว่าถ้าถ้าจะช่วยฉันเนี่ยนะเอางี้ก็แล้วกันบอกแค่น่อยว่าตลาดอยู่ที่ไหนเ <c oughs> นี่ยเอาท่านท่านลองนึกด้วยดีนะตลาดอยู่ตรงไหนอะตลาดนะเออ <c oughs> ก็มีคนพาอับดุลรำมานไปดูตลาดว่าตลาดนี่อยู่ตรงนี้เองเขาค้าข า, ขายกันดีนอะไรแต่และ อับดุลรมานบอกจะซากรลอคอยรอนขอบใจนะที่บอกว่าฉันว่าตลาดอยู่ตรงนี้พอวันพอมาอับดุลรมานเริ่มเลยนะทำงานศาสนาด้วยก็เริ่มค้าขายด้วยเอาของมาขายอะไรในตลาดไปเริ่มใหม่หมายความว่าไปเริ่มธุรกิจการค้าของท่านใหม่ที่นคราดินะแล้วไม่กี่ปีอับดุลรมานประสบความสาเร็จอีกแล้ว เห็นไหมล่ะเนี่ยอัลลอ์ให้บารากะกับคนอ่าเที่ยงตรงและก็ซื่อตรงคนที่เที่ยงตรงและก็ซื่อตรงอย่างกับอับดุลรอมานที่บุนอฟทำธุรกิจการค้าก็ประสบความสำเร็จนะเอ้านี่อันนี้เราเอาไปเป็นตัวอย่างเอาไปเป็นตัวอย่างได้นะเราจะทำอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องมีความเที่ยงตรงและก็ซื่อตรงไว้ก่อน แล้วเอาลอสจะทดแทนอลอสจะให้บาราการกับชีวิตให้ประสบความสมําเร็จในงานเรานะครับเอาตกลงนบีชูฟบอกว่าอ่าอย่าอย่าโกงกิโลนะอ่าเวลาช่างก็ช่างให้ครบเต็มแล้วก็อย่าทําให้บกพร่องอย่าให้คนอื่นเขาเสียหายแล้วก็อย่าป้นสะดมตามทางอย่าอย่า ก, ก่อความเสียหายในแผ่นดินหมายความว่าด้วยการป้นสะดม อาดูในอายาต่อมาร8 4ปบนะฮะรดีครับอืมวัตตะุวัตตะคุที่ خ ل คุมอ่าวัตตะุที่ خ ل คุมวันวันจีบีลาตัลอาวาลีนนะครับจงยำเกรงจงยำเกรงผู้ซึ่งบังเกิดพวกท่าน อ่าและบังเกิดประชาชาติกล อ, อนพวกท่านอ่าก็คือยำเกรงต่อใครยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซึ่งอัลลอฮ์บังเกิดพวกท่านสร้างพวกท่านแล้วก็บังเกิดคนที่มาก่อนหน้าพวกท่านประชาชาติกลอนอ น, นั่นให้ยำเกรงต่อรอ AH, บ้างอ่าจะทำอะไรไนดะ้กลัวอัลลอฮ์ จะโกงกิโลจะไม่เที่ยงตรงจะป้นสะมไ m อะราใดเนี่ยอยากไปทำให้กลัวอล้อบ้างและล้อจะลงโทษถ้าทำอย่างนั้นนี่คือคำสอนของนบีชูอฟแล้วได้รับการโต้ตอบอยังไงอาอาประชาชนอากลุ่มชนของท่านนี่โต้ตอบนบีชูอฟอย่างไร กอลูอินนามาอันตะมินัลมุซ่าฮารีนนะพวกเขากล่าวว่ากลุ่มชนของนบีชโชเอฟกล่าวว่าแท้จริงท่านนเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้ที่ถูกถูกของถูกอาคมถูกเวทมนต์คาถาในท่นมองนั้นนหะน ะ, น ะ, นะมูซาฮารีนถูกเสเฮสเนี่พวกทำของทำอะไรนี่แหละครับ อ่าสายศาสตร์น่ไปกล่าวก็บอกว่านาบีชูเอฟมัะถูกของแล้วถึงได้พูดอย่างนี้อะไรเงี้ยนะครับเออน่อันนี้ก็เหมือนเลยเหมือนเหมือนเหมือนนบีนบีมุฮัมมัดเราแหละกลุ่มชนของอมุชินิกินมกากกล้าก็กล่าวหาว่านาบีเนะี่ยโดน เวทมนาต์คาถาว่าโดนทําของบ้างถูกสยศาสตร์บ้างอะไรบ้างพูดจาเลื้เลือนให้กราบให้คนก็มากราบไหว้ว่าเจ้าองค์เดียวเนี่ยเป็นเรื่องเลื้เรือนมากเรื่องไร้สาระเอออะไรทานองนั้นนะครับแบบเดียวกันเลยนะอ้าวนั่นก็บอกว่าท่านเป็นคนหนึ่งที่ในหมู่ผู้ที่ถูกอาคม ก็ถูกทำของก็ทําของใสเดี๋ยวนี้มีเล่าวไว้ทำของใส่ถูกอะไรนะถูกทําของว่ามาอันตาอิลลาบะชาดุมมิสลูนาและท่านมิใช่มิใช่ใครอื่นนอกจากเป็นสามัญชนเยี่ยงเราก็หมายความว่าบอกวันนบีชชเอฟว่าก็ท่านก็เป็นคนเหมือนเราหละ ไม่เห็นว่าจะมีความวิเศษอะไรเลยนะอืมว่าอินนาดุนุกามินันกาดีบีนและเราคิดว่าท่านเป็นผู้ที่กล่าวเท็จคนหนึ่งเป็นคนกล่าวเท็จนะนะครับก็บอกว่านบีชูเอฟที่นำที่นามาสอนที่นำมาพูดเนี่ยเรื่องเท็จน่กล่าวเรื่องไม่จริงนะครับ ไม่เห็นท่านจะมีอะไรท่านก็เป็นคนธรรมดาเหมือนกับพวกเรานีก็บอกแล้วว่าอัลลอฮ์ส่งนบีมาเนี่ยอัลลอฮ์ส่งสาศาสนทูตมาเผยแพร่ศาสาศนาเนี่ยมาเป็นบ้ชัเป็นมนุษย์ธรรมดาอ่าอัลลอฮ์ไม่ได้ส่งมาลายก้ามาให้มาเป็นาศนาสนทูตแต่อัลลอฮ์ส่งคน ามาเผยแร่ศาสนาเนาเหมือนกับส่งท่านนาบีมุฮัมมัดมาซึ่งเป็นนบีสุดท้ายถูกต้องไหมครับนบีชูเอฟนี่เป็นนบีท่านที่หนึ่งในยี่สบห้า 1, ท่านแหละ อ, อายุงานของท่านผ่านพ้นมาแล้วนี่ก็ประมาณสามสี่จาจาสามสี่พันปีมาแล้ว <c oughs> นะครับ พอเป็นพ่อตานาบีมูซาอะเลฮิสซาลัมนะเมืองของท่านอยู่ที่เมืองมัตยันตอนที่มูซาหนีออกจากอียิปต์ใช่ไหมอ๋อแล้วก็ไปพึ่งพาอาศัยเมืองมัตยันของนาบีชูเอฟนะแล้วหนีไปออกจากอียิปต์จะหนีใครหนีฟิโรูนไป ฟิลูอุนจะเล่นงานเออฟิลูอุนจะให้ทหารจับมูซามาให้ฆ่ามูซานะฟูมูซาก็ห น, นีออกจากเมืองอียิปต์ไปเมืองมาดยันใกล้ๆ ก, กับเมืองปาเลสไตน์นะครับไปอยู่ที่เมืองมาดยัน แล้วก็สุดท้ายนาบีมูซาก็ได้แต่งงานกับลูกสาวของนบีชูเอฟนะอย่างที่ผมบอกแล้วว่านาบีชูเอฟเป็นพ่อตาของนบีมูซาเด้อก็นบีชูเอฟบอกกับ น, นบีมูซา ว, ว่าฉันจะแต่งงานลูกสาวไอ้คนหนึ่งแต่โดยมีเงื่อนไขว่าท่านจะต้องอยู่อยู่ที่เมืองมัตยานนี้สิปี โดยมีข้อตกลงว่าอยู่เมืองนี้สิปีนะอพอครบสิปีแล้วท่านจะเดินทางกลับอียิปต์หรือว่าจะเอาครอบครัวกลับอียิปต์ก็ไม่เป็นไรแต่ต้องอยู่ที่นี่สิปีก่อนตกลงนบีมูซาก็ตกลงแล้วก็สุดท้ายก็แต่งงานกับลูกสาวนาบีชูเอฟนะนะพอครบกำหนดสิบปีนบีมูซาก็เดินทางกลับอียิปต์พาครอบครัว กลับด้วยพาครอบครัวกลับไปด้วยแล้วขณะที่กลับอียิปต์นี่แหละท่านก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนบีท่านนาบีมูซ่าใสลามนั่นนั่นคือเหตุการณ์นี่ก็เล่า ย, ย้อนให้ฟังนะครับเอาละเสร็จแล้วก็นบีชูเอฟก็บอกว่าท่านเป็นคนธรรมดา ปุ่มชนของท่านบอกกันบีชูเอฟว่าท่านก็เป็นคนธรรมดาไม่เห็นว่าจะมีอะไรวิเศษไปกว่าพวกเราไอที่ท่านพูดนะโกหกทั้งนะั้นนะนะครับเออายาที่ร8 7ฝสนะฟาอัสฟาสกิดอะไรนาะกิซฟัมมีน ส, สัมะ อิงกุตนตมินทสอดีกี น, นะอันนี้ก็ท้าทายท้าทายว่าดังนั้นให้ให้ส่วนนะให้ส่วนต่างๆจากท้องฟ้านั่นร่วงหล่นมาบนพวกเรานหากท่านเป็นเป็นคนหนึ่งในหมู่ผู้สัจจริงก็หมายว่าหมายความว่าท้าทายว่าก็ให้ พระเจ้าของท่านนะ่ะลงโทษเรามาที่จากฟ้าฟ้านะ่ะเออถ้าท่านเป็นคนพูดจริงว่าถ้าไม่ยำเกรงเอาล้อปฏิเสธต่อเออเอาล้อจะลงโทษท่านนะ่ะเอาเลยให้ฟ้าถล่มลงมาอ่าเป็นการท้าทายเออเป็นการท้าทายและบลอุทัยจะโดนั้มล่ะชาวมัตยันนะท่านว่าจะโดนลงโทษไหมอ่าสุดท้ายโดนลงโทษไหม โดนลงโทษนะครับไม่มีไม่มีกลุ่มชนใดที่ปฏิเสธต่อรอซูลแล้วไม่ถูกลงโทษไปไล่เรียงมาจั่งกะตอนต้นๆเลยก็ได้นบีนัวเป็นไงังไงนบีลูดเป็นงไงนบีลูดนบีลูดนบีชูเอฟเป็นงไงก็โดนนบีซอและนบีพวกอาร์พวกสมุตนะ อาณาบีฮุสสมฮุสนบีซอแล้วโดนลงโทษหมดเลยโดนลงโทษจับล้อมหมดนะเพราะอะไรนะครับปฏิเสธนบีปฏิเสธพระเจ้าอัลลอฮ์ก็ลงโทษถามว่าทําไมทําไมอัลลอฮ์จึงเอาเรื่องการลงโทษประชาชาติก่อนๆมาเล่าให้กับพวกเราฟังเนี่ยมาเล่าให้กับประชาชิของท่านนบีมูฮัมมัดฟัง เพราะอะไรท่านทราบไหมก็เพ nah ื่อไม่ให้อ yeah. ่ชนชาติของท่านนบีมุฮัมมัดสลโลวะเลวะซัลลัมนั้นเอายิ่งอยางนะครับถ้าถ้าพวกเขาเอายี่งอย่างก็จะโดนลงโทษเหมือนกับคนในยุคต้นนะครับอัลลอฮ์ให้ฟ้าถล่มให้แผ่นดินทลายมาทับ เน่เออเหมือนกับนบีรูตอย่างที่เล่าให้ฟังไปแล้วแล้วก็เมืองมัตยันก็ถูกทำลาย เ, เพราะว่าปฏิเสธต่อนบีชูเอฟปฏิเสธคำสอนของนบีสุดท้ายก็ถูกลงโทษนี่คือที่อัลลอฮ์เล่าให้ท่านนบีสลุลตล่วะลห์วะสลัมได้ทราบอ่าด้วยเหตุนี้แหละ Allah, อัลลอฮ์บวิงเวลาในการลงโทษประชาชาิของท่านนาบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นเนี้อมาตส่วนหนึ่งจากอัลลอฮ์นะครับว่าอัลลอฮ์ไม่ลงโทษใหญ่นะบวิงการลงโทษรุนแรงนะบวิ่งการลงโทษรุนแรงนะครับก็เพื่อ ให้เกียรติกับท่านนบีมูฮัมหมัดสลวะเลวะสลัมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุค ข, ของท่านนบีมุฮัมหมัดนี่ในยุคนบีมูฮัมมัดในยุคบรรด า, าคุลฟาอรารอชีลีนอบูบากุมารกุสมาอัลีเหตุการณ์รุนแรงเ<ๆ>ยอะๆนั้นยังไม่เกิดขึ้นไม่มีนะครับเอามาตอนหลังๆก็ค่อยๆมีบ้างเกิดขึ้น นะครับอันเนื่องจากว่าคนเหล่านั้นปฏิเสธปฏิเสธนบีนะปฏิเสธคำพีกุรานปฏิเสธการตอบแทนในวันโลกกนะนะก็โดนลงโทษบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นลงโทษใหญ่เหมือนกันอย่างอาณาทั่นนะทวโลกในสมัยนบีนัวถูกต้องไหมครับสมัยนบีนัวนี่เป็นการ ลงโทษที่ใหญ่เพราะว่าน้ำท่วมพยัญยอดเขานะนะครับเออพอพูดถึงน้ำท่วมยอดเขาเนี่ยผมมีเรื่องประกอบประกอบตรงนี้นะครับท่านท่านฟังไว้ก็ดีเหมือนกันนะท่านเคยศึกษา ประวัติของนายในชาญดาวินไหครับชาญดาวินนี่เป็นเป็นนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ อ, อายุไม่เยอะ ร, อร้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับในในในชาญดาวินเนี่เขาเป็นนักเดินทางชอบเดินทางทั่วโลกชีวิตเขาเนี่ยเดินทางอรอบโลกมา สี่ปีเดินทางรอบโลกไปนะครับเข้าไปในป่าในขุนเขาในเอ่อแล้วก็จดบันทึกจำโน่นเรื่องโน้นเรื่องนี้นะครับเขาขึ้นไปบนยอดเขาเล่า น, นี้นะเขาขึ้นไปบนยอดเขาก็ปรากฏว่าไปไปเจอเออภูเขาที่มันเป็นหินปูน แล้วก็มีหอยติดอยู่บนบนหินปูนยอดเขาอนะ่ยยอดเขานี่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 4,400 500ร่วม 5,000 ฟุตสูงกว่าระดับน้ำทะเลนะครับแต่ปรากฏว่าหอยเปลือกหอยอะไรนะไปติดอยู่บนบนยอดเขาอ่า และก็เสร็จแล้วนี่เขาก็มีมีความรู้สึกว่าอไอ้บนภูเขาเนี่ยนะมันสองอย่างด้กันหนึ่งมันอาจจะเป็นพื้นของทะเลมาก่อนประการที่หนึ่งนะหรือไม่ก็มีน้ำท่วมมีน้ำท่วมไม่ถึงยอดเขาประการที่สองถึงได้มีหอยมาตายแล้วก็มาติดอยู่บนบนยอดเขาเนี่ย ออการพิสูจน์ซากของเขาเนี่ยมันก็กินกับปัญญากินกับปัญญาเลยเออกินกับปัญญาทั้งสองข้อแหละข้อที่หนึ่งพื้นที่เราเห็นภูเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นทะเลมาก่อนเมื่อหลายล้านปีหลายร้อยล้านปีมาแล้วมันเป็นมันเป็นพื้นของทะเลนะซึ่งสัตว์ทะเลนานาชนิดนี่ไปไปตายอะไรต่ไรแล้วไปติด โดยเฉพาะไยิ่งหอยไปติดอยู่เบือกมันนะไปติดอยู่ที่ยอดเขานะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้หรือหรือไม่ก็น้ํามันท่วมยอดเขานานนานนานแล้วก็หอยก็ไปเบือกหอยไปติดอยู่ที่บนยอดเขาได้มันก็เขาก็วิเคราะห์ออกมาเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้ของเราเนี่ยของเราเนี่ เราก็มีความเข้าใจคล้ายคึงกันเอาเพราะว่าเพราะอะไรนะครับเพราะว่าน้าท่วมโลกตูฟานในสมัยนบีนัวในสมัยสมัยนบีนัวที่หลายพันปีมาแล้วที่อัลลอฮ์ให้เกิดตูฟานตูฟานแปลว่าน้ำท่วมโลกท่วมไม่ถึงยอดเขานาะนะครับ น, น้ำท่วมสี่สิบวันสี่สิบคืนตามรายงานนะครับอา ไม่มีอะไรเหลือเลยบนหน้าแผ่นดินเนี่ยรากไปหมดเลยจนกระทั่งถึงยอดเขาทำไมเราถึงรู้ว่าน้ำท่วมไปถึงยอดภูเขานะครับภูเขาที่สูงที่สุดนี่น้ำท่วมถึงถามว่าเรารู้ได้ยังไงครับเรารู้เรามีเหตุผลไหมว่ารู้เราหรือว่าเราสันนิษฐานเองเปล่าครับ เรารู้จากอันกุรานเรารู้จากอันกุรานที่ที่นัวเรียกลูกชายให้ขึ้นเรือวันน้ำท่วมลูกชายบอกว่าจะหนีขึ้นไปบนยอดภูเขาเพราะว่าภูเขานั้นจะรักษาเขาให้พ้นจากการจมน้ำและนบีนัวก็บอกกับลูกชายว่าวันนี้ไม่มีใครที่จะรอดจากการจมน้ำได้ จะหนีไปอยู่บนยอดเขาหรือยืนหนีไปอยู่ที่ไหนก็นตามไม่มีใครรอดจากการจมน้ําได้นอกจากคนที่อลัลลอฮฺเมตตาเขาเท่านั้นก็หมายความว่านอกจากคนที่อยู่ในเรือของน บ, บีนัวแปสิบคนที่เหลืออยู่ในเรือน บ, บีนัวเท่านั้นที่รอดพ้นจากการจมน้ําในวันนั้นนอกจากนั้นหมดอลัลลอฮฺจะให้จมน้ําไม่หมดอลัลลอฮฺนี่นะเราจึงรู้ตรงนี้ว่าแม้แต่ยอดเขาเนี่ย คนขึ้นไปบนยอดเขาก็จมน้ำมังกันเพราะอาลัลลอยจมให้น้ำมันท่วมเลยยอดเขาขึ้นไปอ้าวนี่เราได้รู้ข้อมูลจากอันกุรานใช่ไหมโอมาชาอัลลอ์แล้วแล้วอลัลลอยก็กล่าวกล่าวไว้ตอนนึงนี่ในซุร้อนนู้นนี่น่าคิดมากเลยว่ามิมมาคอตีอาตีหิม อูกริกูว่าอุดิคิลุ น, นาร์เนี่ยอัลลอ์กล่กาวว่าจากจากความผิดพลาดอันมากมายของพวกเขานาจึงทำให้พวกเขาต้องจมน้ำตายจึงทำให้พวกเขาจะต้องไปตกนรกในวันโลกนะีอลัลลอักบัดนี่จากความผิดพลาดของคนในยุคนบีนว ที่นับถื อ, อวัดดัน ว, ส ว, น ว, วัสวาอันวยูสวยูกวนัสรอนเป็นพระเจ้าตามที่อัลล์ได้กล่าวในกุรานนะพระเจ้าพวกเขามีห้าตัวด้วยกันวัดดันวสวาอันวยวูกวยูกวนัสรอนนีเน่เขานับถือเป็นพระเจ้าอื่นจากลสุภาณววตาละนะครับเป็นเป็นความผิดพลาดอันมากมายของ ชนชาตินัวจึงทําให้พวกเขาต้องจมน้ําตายและจึงทําให้เขาจะต้องไปตกนรกในวันโลกน่ะเห็นไหมครับนี่เราก็ได้ข้อมูลจากอันกุรานว่ า, าในยุค ข, ของท่านนาบีนัวอะไรอิสธารมเนี่ยน้ําท่วมถึงยอดภูเขาเอ่อพอพอน้ําท่วมถึงยอดเขาแล้วนี่เป็นไปได้ไหมว่า เป็นได้ไหมล่ะเป็นได้ครับที่หอยมันจะไปตายแล้วก็เปลือกมันติดอยู่ที่ยอดเขาเออแล้วแล้วนอกจากนั้นแล้วนี่ อ, อมาในยุคหลังเนี่ยนักวิทยา ศ, าศาสตร์ยังไปไปไปค้นพบซากปาวานที่ติดอยู่ซอกเขาเหมือนกันซอกเขาบนซอกเขาสูงนะครับซอกเขาสูงเนะี่ยเป็นเป็นซากปาวาน เออแล้วก็ถามว่าเอบนภูเขาประวานมันขึ้นไปได้ไงอ่ะอ่ะเราก็ต้องตัดสินด้วยปัญญาของเราว่าแน่นอนแหละน้ำต้องท่วมถึงประวานไปติดไปติดเกยไปตีซอกเขาได้อย่างนี้เป็นต้นแสดงว่าที่เอาล้กล่าวในสมัยนบีนัวในเรื่องน้ำท่วมโลกเนี่ยเป็นเรื่องจริงล้านประเซ็น เพราะอันอุรอานยืนยันอย่างนั้นอ่าอันกุรานได้ยืนยันไว้อย่างนั้นเลารออักบัตถึงแม้ว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นมาหลายพันปีมาแล้วก็ตามแต่ข้อมูลอยู่ในอันกุรานนะครับเราจึงเราจึงเชื่อไปตามที่อันกุรานบอกเอ๋ทีนี้เสร็จแล้วเอ้าย้อนกลับมาเรื่องเดิมกินะเอ่อ ในในในตรงเนี้ยนายชาหดาวินเนี่ยเราไม่ได้เอามาเป็นหลักฐานนะแต่ว่าเอามาเล่าสู่กันฟังนั่นเองเอาผมได้ข้อมูลจากเอเออ่าสำรวจโลกเรื่องสำรวจโลกในนิวนิว18บแปเขาจะมีสำรวจโลกช่อง18นะครับมีมีชื่อว่านิวสิบแปดเขามีาสารคดีมาราธอนเยอะหลายสารคดีมั่มากมายด้วยกัน เขาไปสำรวจโลกมาเลยเขาก็เอาเรื่องของนายชาหดาวินนี่มามาลงเอาไว้นะครับแต่นายชาห์ดาวินมันบอกว่าเขาก็มีความคิดว่าเออเป็นได้ว่าเออเป็นได้ว่าพื้นบนยอดเขาเนี่ยมันเป็นพื้นในทะเลมาก่อนแล้วก็ตอนนี้น้มันลดลงไปแล้วก็มันก็กเป็นเป็นภูเขาขึ้นมา ถึงได้มีซากหอยไ ป, ไปไปติดอยู่หรือไม่ก็ออกมีการน้ำมันท่วมไปถึงยอดเขาน่าเอ่นนะ่นั่นเองแหละทีนี้ไอ้ น, นี่มันเป็นได้พอจะพอจะเชื่อได้เพราะว่าตรงกับของเราแล้วก็ที่ไม่ตรงกับเราแหละครับน่ะไม่ตรงกับเราก็จะเล่าให้ฟังนะอย่างกับนายทฤษฎีหนึ่งของนายชาญดาวิดเนี่ยครับ เขามีทฤษฎีว่าเออมนุษย์กำเนิดมาจากไหนมนุษย์กำเนิดมาวิวัฒนาการมาจากลิงสายพัน์ลูซี่นะบอกสายพัน์มาเรียบร้อยเลยว่ามนุษย์เนี่มากาเนิดมาจากลิงเออนะหมายความว่ามันพัฒนามาหลังจากหลายล้านล้านปีเนี่ยนะ มันก็ค่อยๆพัฒนาพัฒนามาและก็มาเป็นคนเดิมเป็นลิงมาก่อนนะแล้วก็มาเป็นคนไอตรงนี้เราเชื่อได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ไ ด, ไได้ตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าอันกุรานของเรานี่บอกไว้ชัดเจนนะมนุษย์ก็คือมนุษย์ลิงก็คือลิงคนละคนละสายพันธ์กันคนละสายพันธ์กัน นีไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ใช่ว่าไอในในชาหดาวินมันจะบอกว่าเขาจะบอกว่ า, าสายพันธุ์ลูโซลูซี่อะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ทั้งนั้นมนุษย์ถูกสร้างมาใครสร้างอัลลอฮ์สร้างอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาจากอะไรอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาจากดินกต้องไหมเอาข้อมูลจากไหนเอาข้อมูลจากอันกุร์อานอาอัลลอฮ์สร้างมาลายกามาจากอะไร อัลลอฮ์ <laughs> สร้างมาลายกามาจากนูรนะเดี๋ยวผมดูเวลาก่อนเนี่ยอ้าวเหลือสิบนาทีอัลลอฮ์สร้างมาลายกามาจากนูรจากรัศมีอัลลอฮ์สร้างยินรวมทั้งชัยตอนและก็อิมบลรสด้วยสร้างมาจากไฟอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาจากดินนี่ข้อมูลตรงนี้ได้จากไหนได้จากอันกุราน นะเราได้ข้อมูลตรงนี้จากอันกุรานว่ามาลายกาถูกสร้างมาจากนดูดอิอบลิสชัยตอนถูกหรือว่ายินที่เป็นกาเฟสสุถูกสร้างมาจากไฟไฟที่ไม่มีควันและก็มนุษย์ถูกสร้างจากดินนะ่นานั่นนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์สายพันธุ์มนุษย์กับลิงไม่เกี่ยวกันเลยนะ เพราะเพราะอันเนื่องจากว่าลิงมันมีมาก่อนมันมีมาก่อนมนุษย์หลายหลายร้อยล้านปีมนุษย์มันมีทีหลังเออนะครับแล้วก็มนุษย์ก็ถูกสร้างตามที่อลัลลอฮ์บอกไว้นะอันนี้จำไว้นะเป็นข้อมูลนะเออผมเชื่อว่าท่านไม่ค่อยได้ฟังข้อมูลเหล่านี้ข้อมูลพวกนี้นะครับเออท่านก็อาจจะได้รับข้อมูลจาก อาจารย์ไหนก็แล้วแต่ถ้ามีบ้างก็ออกไปเสริมกันแล้วกันเสริมที่รู้เลยนะนะครับนี่ทีนี้เสร็จแล้วนี่ถามว่าทำไมแล้วก็ยินนี่มันแบ่งออกเป็นกี่ประเภทครับอ่ะยินแบ่งออกเป็นสองประเภทมียินมุสลิมกับยินที่เป็นกาเฟทแล้วยินที่เป็นกาเฟทนี่หัวหน้ามันก็คืออิบลิสอ่าหรือเรียกว่าชัยตอน น่ะนะครับส่วนส่วนยินอีกประเภทหนึ่งนี่มันก็ศรัทธาต่อนบีมุฮัมมัดมันเป็นมุสลิมแต่ยินอีกประเภทหนึ่งเป็นคาเฟตน่ะนะครับเออเรารู้เรื่องนี้ได้อย่างไรอ่ะเรารู้เรื่องนี้เนี่ยนะที่อัลลอฮ์บอกไว้ว่าสร้างมาลายกามาจากนดูดสร้างยินมาจากไฟสร้าง ม, ม, มนุษย์มาจากดิน เนี่ยที่ว่าได้ข้อมูลจากอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์เล่าถึงตอนที่ตอนที่อัลลอฮ์สร้างอาดัมพอสร้างนาบีอาดัมแล้วใช่ไหมอัลลอฮ์ก็มีพระกระแสรับสั่งกับบรรดามาลายกันและกับบรรดายินนะมูยินบอกว่าให้ซูยูคาระวะต่ออาดัมเพื่อให้เกียรติกับมนุษย์นะ เสร็จแล้วว่าฟาซาดูบรรดามาลายกาทั้งหมดคารวะต่ออาดัมอิน ล, ลอิบลิสอิละอิบลิสยกโกเว้นแต่อิบลิสเท่านั้นมันไม่ยอมนะมันไม่ยอมไม่ยอมคารวะต่ออาดัมเพราะว่าอิบลิสมีทิฏฐิทิฏฐิว่าเขานี่ถูกสร้างมาจากไฟไออาดัมนี่ถูกสร้างมาจากดินไฟจะต้องเหนือกว่า แน่เลยไม่ยอมคาราวะต่ออาดัมแล้วอัลลอฮ์ก็ตั้งคำถามกับอิบลิสว่าม า, มามาาอ์อันัสยูดาลีมาคอลัตบิยดยะมามาณาอัอันทัสยูดาลีมาคอลักตูบิยาดยะนะมีอะไรมาห้ามเจ้าไม่ให้เจ้าคาราวะต่อสิ่งที่ข้าได้สร้างด้วยมือของข้า ก็คืออาดัมฮะได้รับคำตอบว่ายัางไงกอละอิมบริทมันก็บอกว่าอนาคอยรุมมินฮูขอลักตะนีมินนาร์ว่าขอลักตะฮูมินตินเอา ล, ล่อสร้างข้ามาจากไฟแล้วก็สร้างมันมาจากดินหมายถึงสร้างอาดัมมาจากดินนี่คือเหตุผลที่อิบริทมันไม่ยอมคารวะต่ออาดัม ฮมันเถียงอัลลอ์ว่าอัลลอ์น่ะสร้างค่าพูกค่ามาจากไฟแล้วก็สร้างอาดัลมนมาจากดินเพราะฉะนั้นมันจะไม่ยอมคารวะต่ออาดัมถูกต้องมครับนี่คือข้อมูลที่เราได้จากอันกุรอานเห็นบ่าเออเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้เราจะต้องเรียนรู้เราจะต้องเรียนรู้นะครับ ว่าที่มาของอิบลิสเนี่นะเออเพราะฉะนั้นใครที่มีมีสีฟ้านะมนุษย์นี่แหละอาจจะมีลักษณะคล้ายคลยอิมอรลิสก็มีถ้าคนที่มีทิฏฐิมานะรุนแรงนะครับมันเป็นอุปนิสัยการมีทิฏฐิการมีทิฏฐิรุนแรงเนี่ยมันเป็นอุปนิสัยของอิบลิส นะแล้วก็ไม่จะเปียไม่ได้ไม่ได้อิบลิสอย่างเดีย ว, ยวมันเป็นอุอปนิสัยของฟิโลูนด้วยนะถามว่าถามว่าอิบลิสเนี่ยนะอิบลีสเนี่ยมันเชื่ออลอร์ไหมคําตอบคือเชื่อครับมันยอมรับว่ า, อาลอร์เป็นพระเจ้าไหมมันยอมรับว่าลอร์เป็นพระเจ้าแต่ทําไมละมันถึงตกนรกตกนรกครับ น่ะตกนรกทั้งๆที่มันยอมรับว่าลอเป็นพระเจ้าน่ะตกนรกอันเนื่องจากว่ามันอิมบรีทมันขัดขืนคำสั่งของพระเจ้าพระเจ้ามีคำสั่งมาว่าให้ให้คารวาต่ออาดัมแต่ทาไมไม่ยอมทําตามตรงนี้แหละที่มันทิฐิของมันตรงนี้แหละที่อัลลอฮ์เอามันลงนรก เห็นไหมครับ เ, เพราะงั้นอย่าอย่าไปนึกว่าเออคนที่เชื่ออัลลอฮ์นะไปสวรรค์หมดเลยแหละอิออบบลิซมันก็เชื่ออัลลอฮ์ฟิรอูหเชื่อไหมครับฟิรูหเชื่อครับแต่ว่าวินาทีที่ฟิรอูหมันเชื่อเนี่ยมันสายไปแล้วมันสายไปแล้ว ฟิลูอุลมันเชื่อเนะี่ยก็เชื่อตอนไหนละสายไปแล้วน่ะไอตอนที่ฟิรูอุลมันอยู่ในทะเลแดงอ่ะมันจมน้ําไปจมพุกโผพุกโผพุกโผลมันไปเชื่ออลัลลอฮ์ตอนนั้นวิญญาณมาถึงจะเดือดแล้วอลัลลอฮ์ไม่รับการเชื่อของฟิรูอุลแล้วเห็นไหมพอขณะที่ฟิรูอุลเนี่ย จะตายไม่ตายนะพุกโพอยู่ในทะเลนะ่ะฟิโรูนนะั้นบอกว่าข้าขอยอมรับพระเจ้าของมูซาแนเห็นไหมครับขนาดจะตายแล้วนะมันยังไม่บอกว่ายอมรับอลัลลอ์เลยบอกว่ายอมรับพระเจ้าของมูซามันยังยังมีไอ้นั่นไว้หน่อยเนี่ยไอ้ความมีทิฏฐิของมันนะ่ความมีทิฏฐิของฟิโรูน แต่การยอมรับพระเจ้าของมูซาของฟิโรูนน่ะมันสายไปแล้วเอลลาลอมายอมรับการเป็นการเป็นอิสาลามของของของฟิรรูนแล้วอัลลอฮ์ก็สัญญาลงนรกเหมือนกับที่อัลลอฮ์สัญญาเอาสัญญาเอาอะไรเอาอิมบริทลงนรกนั่นแหละทั้งทั้งที่อิมบลิทเนี่ยมันเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้า แต่มันโอหังมันมีทิฐิมันโอหังมันอวดดีไ ม, ไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮฺอัลลอฮฺเอามันลงนรกนี่คือสิ่งที่เราได้ใน ว, วันนี้นะเ อ, เ, น เ, นเอาไปเป็นบทเรียนเอาไปเป็นบทเรียนสําหรับเราก็แล้วกันว่าโอ้เราเราต้องปฏิบัติตามเราบอกว่าเราศรัทธาเนี่ยอลัลลอฮฺใช้ต้องทอําทุกอย่าง นะถ้าอยาไปเหมือนกับอิบริสบอกว่าเชื่ออัลลอ์ยอมรับว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่อัลลอใ์ช้ยคารวาต่ออาดัมมั่นปฏิเสธเลยอัลลอ์สัญญาเอามันลงนรกอ่าเอาเลยครับตอนนี้ก่อนนะครับ อากลุกเอาลิฮัดาว่าสตฟุรุลลอฮันอดีมลิวะลักุมวลิَาลิมุสลิมีนและมุสลิมัดบินคนลิดมฟาสตฟุรุอินนูกานากฟาร์วะサラ م ุลาอิคุมวารอมัตุลลอฮิวะบารอกาตุ